เพื่อจะได้ไปนำไปปฏิบัติไม่ให้มันผิดพลาดเสียเวลาชีวิตของเราถ้าลองไปลู่หลอกการปฏิบัติก็เสียเวลาเพราะชีวิตนี้มีกายมีใจเกิดขึ้นมาแล้วเจ็เจ็บตายไปมีแล้วหายไป ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไว้ใช่ตัวใช่ตนเราจะยอมรับทุกเรื่องไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ยอมรับปล่อยยอมรับกรรมที่ยื่นมาให้เวลาเจ็บก็เป็นทุกข์เวลาตายก็เป็นทุกข์ แทนที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์ความเก็บไม่เป็นทุกข์ความตายเด็ก น, น้อยก็ยังข่ากันทุกข์เป็นแต่ความชิดยังไม่ได้เจ็บเลยก็เป็นทุกข์เอายื่นความรักมาให้ก็รับเอาความรักเอายื่นความชังมาให้ก็ยอมรับเอาความเจียดชังตำตามมันไปเราก็เสียเวลา จังท่าดีไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรบางคนก็ทำไปตามก ร, รมที่จำแนกมาเสียผู้เสียคนก็มีเสียเงินเฉียทองก็มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นหลีชับไปได้ป้องกันจริเหล่านี้ได้ เราจึงต้องรีบใช้มันซะชีวิตนี่ต้องรีบใช้มันถ้าไม่ใช้มันเราจะอะไรจะแย่งไปก่อนเมื่อประมาทจะไม่ได้ความเจ็บความเจ็บความดายได้ปวดทุกขหมเตือนแล้วมีมาแล้วเราเคยมีทุกข์รวมทุกข์โดยมีความโกรธเพราะความโกรธ ความเจร้าโศกความร่ำไรความเจ้าหมองเกิดเป็นทุกบันแล้วหรืว่าทุ่เตือนแล้วเรายังไม่ประมาทอยู่จะต้องเป็นการรีบด่วนนะฝึกหัดศึกษาเรื่องชีวิตดับว้หรือว่าอาดีชซาไายในว่องกันได้ เวลาทุกข์ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เวลาโกรธก็ไม่ต้องเป็นความโกรธเวลาเจลจาเจ็บลาตายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ความเจรความเจ็บความตายพ้นจากทุกข์ต้องพวงได้ชีวิตเราต้องรีบใช่ไม่ใช่ไปใช้ทดลองมันดื่นเขาบอกให้ไปทดลองใช่ เื่มเบียร์สิงดด่มวะไรต่างๆนูน่นต้องใช่จ้ะเป็นรสชาติอย่างไรจะได้รู้สเชื่อเขาไปพอยื่นอะไรมาให้ก็เชื่อไปตามๆกูสัญลาอย่าเงินเสียทองติดโลติดเบียร์ติดยาเสพติด ผิดเลสตัณหาเกิดโรคภัยไ้เจ็บเกียนตายไปก็มีหรือตายไปก็มีใช่ไม่เป็นอ่ะทุกวันนี้ต้อ ง, งเงียบเยี่ยมตัวไม่ควรดูก็อย่าไปดูไม่ควรพูดก็อย่าพูดไม่ควรคิดก็อย่าคิดไม่ควร ที่จะไปรับใช้มันทุกเรื่องไปอย่างรูยจากใช่ชีวิตหัดดับไว้จะได้ใช่เป็นทำให้หัดก็ใช้ไม่เป็นนะชีวิตเนี่ยเจ๊กจะลุยจุดนลอยไม่แต่ของอยู่ของกินของใช้ของใายก็มีความจะลุยจุดนลอยเอะเตะเตอะไป รื่งมาปฏิบัติธรรมในมันจจาได้หลักมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อมาใช้กายใช้ใจให้มีระเบียบแบบแผนมันมีแบบตายก็มีแบบมาจาก็มีแบบจิตใจก็มีแบบแตาไม่มีแบบผผิดไป เขแบบพ่อพิมพ์จะได้เป็นรูปอันเดียวกันมีสติตสัมมชัญญะเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของกิจใจจะเห็นอันเดียวกันจะได้แก้ไขเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันก็เห็นอันเดียวกันสิ่งที่เห็นก็เหมือนกันหมด เรื่อเราเห็นความโกรธมื่นานกว่าคนอื่นเราแจ้ความโกรธได้แล้วคนอื่นยังไม่เห็นความโกรธแตงว่าตัวเราโกรธยังไม่เคยแจ้ไขผ่านคนอื่นปัญหาเกิดขึ้นแต่เราผ่านมาแล้วแต่ช่วยไม่ได้เวลามัน เขาถึงตัวเขาแล้วเขาช่วยไม่ได้ให้เขาช่วยตัวเองเขาไม่เคยหัดเมื่อเขาไม่เคยหัดเขาก็ทําไม่เป็นการปฏิบัติทํามันฝึกหัดให้ทําเป็นเราไม่หลงทำความไม่หลงเกิดขึ้นได้ ท, ทำเป็นแล้วเราไม่ทุกทำเป็นแล้วให้ความไม่ทุกหมดบไย ให้ความไม่ทุกบทบ่อยให้ความไม่ทุกไปแทนทําเป็นแล้วชํานานแล้วตานานในการใช่กาใช่ใจชํานานในการใช้ชีวิตที่ถูกติดชอบเหมนแบบฉบับเหมนแบบพิมพ์พิมพ์เดียวเราจึงต้องมหัดกัน ขาะที่หัดนี่ต้องอยู่ในรูปแบบพิธีกรรมหรือว่ากรรมฐานพิธั่งของการกระทําเหมือนวิถของหลวบนหลอกไว้กระชวยกระจายการเข้าวังหัดหัวเข้าเช่นได้มันก็จะเป็นระเบียบ ถ้าเรามีจิติก็เป็นคนคนเดียวกันว่าเช่นได้เกก่อนกระ ย, ยุ่กระจายเอาว่า้อยเข้ากันแล้วก็เป็นผัวงมอยไหลสวยงามงเก่าเก่าเป็นอันเดียวกันไปแล้วลูกต่างพ่อต่างแม่จ่างนี้ใสใจคอจะมาเป็นอันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกัน นี่แบบฉบับเปน็น อ, อย่างนี้มีเช่นได้มีกอกมีเชิดมีสติดูกายทุกคนก็เห็นกายตามความเป็นจริงตามความไม่จริงจริงใดที่เกิดความไม่จริงขึ้นมาต่อกา ย, กา ย, าายต่อรูปก็แยกไขเแตจริงที่เกิดกับยายามเป็น แต่มูองไทสังขารในตรงละแก้เป็นแล้วทำเป็นแล้วนี่เรายัางแก้เรื่องเกิดขึ้นกับไป่ายไม่เป็นเลยทั้งท่าน ง, ง่ายๆออกมาเป็นสุขออมาเป็นทุกข์แต่เรื่องเก่าก็ยังเป็นอยู่ไห้เขามาใช้ยอยู่ยังรับใช้เขาอยู่ ก็ไม่เป็นเรื่องของกิจใจยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งใหญ่เรื่องของกิจยยก ใ, ใออจอะไรเกิดกับปีติคือความคิดเกิดขึ้นมาให้จบผิวไปได้เป็นจบเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยยอมรับความคิดเมื่อมันเกิดขึ้านน้ําตาล่วงตาไหลกินข้าวไม่ลง เป็นทุกขบางทีก็ไม่มีทางไม่พบทางค่าตัวตายก็มีถมไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ไม่ถูกมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าทำผิดก็ได้ประโยชน์ไดยประโยชน์สิ่งที่เกิดขึ้นกใจสิ่งไหนเป็นทุกข์เป็นโทษได้เห็นแล้ว แก้ไขได้แล้วได้ประโยชน์เช่นความโกรธเกิดขึ้นจากกิจเปลี่ยนความไม่โกรธได้แล้วได้ความไม่โกรธได้ความไม่ทุกข์ที่มันเกิดจากติดแล้วก็มาสอนเราให้เราได้รู้อยงเรียกว่าปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะมาลูกเหตุที่ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุแก้เหตุกันได้แล้ว นี่หรือว่าปัญญาพุท ธ, ธะอะไรก็มีเหตุทั้ง น, นั้นมีสมุทยัยหลเจ้าจะจะลู่เรื่องนี้แ้าเราไม่ฝึงขัดก็ทำไม่เป็นนะสับสนตรงนี้ยุ่งเหยิงสับสนพวกความคิดวุ่นวายพวกความคิดทานท่านนี้ไม่มีอะไร เราปล่อยให้มันโม้นมันบุ้นไปเฉยๆแต่ไม่รู้จักหลักงานแก้ไขการปกหัดวิชากรรมฐานเป็นรูปแบบการแก้ไขเป็นหลักสูตรหดายตัวแบบเดียวกันเหมือนสูตรสเร็จที่เราศึกษา คณิตศาสตร์สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบอย่างเนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้เรียกว่าสูตรสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการศึกษานั่องนอกกายนอกใจก็มาใช่ได้เป็นคนไทยต้องรู้คณิตศาสตร์เป็นคนไทยต้องอ่านภาษาไทยได้ นี่เป็นสุวจ้ำเ็จอันหนึ่ง mm hmm. จมมาสงสูงๆก็ยังไม่รู้จักใช้สตรสํสำเร็จที่เกิดจักใจก็มีเยอะแยะวันด็ดสุก ป, ปกของมารทันว่าอย่างมหาการโ mm hmm. ดย ก่ อ, องจะมากาืบเอากคอยขึ้นบะตั้ง ở ใจขึ้นมาให้ดูมีจิดูกายเคลื่อนไหวก็จะเห็นใจที่มันคิดขึ้นมาในรู้เป็นหลักเป็นตาตั้งไหวเดินไว้แล้วความคิดเกิดขึ้นกับลู้ได้เห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจ ใก้ไหลไปกับความคิดความคิดทดี่ไม่ตั้งใจหอบหิ้อเราไปให้เดินให้นั่งให้นอนให้ไปไหนก็ได้ลงจากบ้านไปที่ไหนก็ได้ ท, ไทั้วันที่ไปเที่ยวเตยเล่นร่อนกินเล่าโขบาไดในคับไปตาพืชตาปืนายทักเดี๋ยวมัเกิดจากความคิดนิดเดียวที่ลูกที่เงียบไป ลืมบ้านลืมช่องลืมญาติพี่น้องไปไม่ได้คิดเรื่องความจำเป็นให้ความไม่จำเป็นเป็นเรื่องสำคัญกว่าดังยสิบสอดีที่ผ่านมาเนี่ยังรถประจำทางจอดลวงราดอาหารหนาทีใดเสียงเป้เกิดขึ้นแล้วเมียตายไม่เสียดายเท่าโลงหก เก็ไกมากคนไทยเปิดดังที่สุดเลยเงี้ยตายไม่เสียดายเท่าโรงหกมันก็ชอบันตกมือยึกยึดยึกยึดยึดยึดไอ้ันหลงแล้วคนบนหลง ก, ก็เป็นปัญหาต่อสังคมต่อชาติบ้านเมือง แม่เจอจะมีทหารมีคุกมีตัรางมีตัวบทกฎหมายเขามาอยู่โดวันหลงมาเกิดขึ้นที่ใจจะมาขังใจไม่คิดมันทำไปได้จับกุมกุมขังไม่มีโทษหนักกรรมหนักที่เกิดจากใจจะจับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเป็นนามธรรมา ว่าที่มันแสดงมาทางกายทางวาจา ม, มันเป็นทั้งวานของใจที่มันสั่งใจมันเป็นใหญ่ไม่เคยให้ความสาคัญเรื่องกิจใจเลยเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เคยเห็นไม่มีสติดูกายเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นใจที่มันคิดวันนี้เรามา ตั้งหลัตรง น, นี้จะเห็นทางออกนั่นเราอยู่บดตูนี่แล้วมันผ่านมาทางประตูเนี่ยความดีความชั่วความผิดความถูกเกิดขึ้นไว้เห็นเนี่ยเปนช่องแคบผ่านมาทางนี้อะไรก็ผ่านมาทางนี้ถ้าเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวจะเห็น อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทุกเรื่องทุบเราไม่ปกปิดซ่อนเล่นได้เลยเห็นชีวิตที่เปิดเผยวุณเจ้าจังบอกว่าเราเปิดของที่ผิดออกแล้วเราหงายของที่คว่ำขึ้นแล้วเราเฉือนส่วนที่เป็นขี้ลูดที่หมดแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้คุณบุตรคุณลูที่ด่าทั้งหลาย จะทำกันยังไงบอกให้ดูวันนี้ก็ยังไม่มีใครสนใจผู้เจ้าบัดขึ้นแล้วในโลกนี้เกิดมาได้เห็นได้รู้ได้ฟังได้ยินพุทธศาสนาพระธรรมตายพร้มทั้งวิธีกาสอนนั้นเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์มีแล้ว กะโกมาแล้วทั้งสองพันหกรอยกว่าปีไปแล้วคนไม่ได้กินไ ม, ม่ใครหูหนวกก็ไม่ยอมฟังเสียงถูกต้องคนหูหนวกที่สุดก็มายอมฟังเสียงกันถูกต้องชอบฟังแต่เสียงที่ไม่ถูกต้องเ่าเดินทางสารเสิร์ฟเพราะว่าเร า, เราชอบฟังเรื่องนั้นหรือคนหูหนวก คนหูดีเขาจะต้องเหงนินทาเป็นสมบัติของโลกได้ยินแล้วไม่ได้หวั่นไหวเพราะการนินทาไม่หวั่นไหวเพราะสรรเสริญจนหูดีเป็สมบัติของโลกคนไม่โลภกพวันเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อประจบเอาสงองบอกที่ บ, บันด เขาเนินทาก็เสียใจเขาสรรเสริญก็ดีใจเห็นมานานเท่าไหร่เรื่องนี้จะอยู่เช่นนั้นมันจะบวชไปยังไงชีวิตของเราเนี่ยถูกโล ก, กธรรมครอบทับถมเอาไว้เงยโขมาขึ้นยอมรับดีใจพ่อสรรเสริญเสียใจพาะกนนินทา ดีใจพะกันได้มาเสียใจพยายามเบาการเฉียบหายไป็ดินเราไ ป, าไ ป, าไปะนั น, ว, น, ว, น, น, นวันไหวผู้ที่ฝึกตนสอนตนไม่หวั่นไหวเพราะนึ่ตาเฉลิมเนเหมือนผู้เขาทิละทั้งเที่ยงไม่จะเถื่อนเพราะลมฉันไหผู้ฝึกหัดตนใยใจดีแล้วเนีวก็งันคง หม่การมีชีวิตยิ่งเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าฝึกกันอย่างนี้จะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นมีผัวไม่ีเมียก็นักเดียวใจเดียวคนเดียวมีเพื่อนมิคนเดียวกันมิตร ด, ดีเพื่อนดีสหายดีหยิบไข้ดิดป่วยก็หายได้ถ้ามิตรที่ดีเพื่อนที่ดีเมียดีผัวดี เห็นหน้ากัก็ได้น i r v a n แล้วเย็นแล้วและเยินเสียงพูดก็ได้ n i พ v านแล้วเห็นกิริยามณยาติก็ได้ n i r v a n แล้วเย็นใจแล้วถ้าเราฝึกตนสนตนดีๆมัก็มีผลกระทบจิบวันรอมที่ดีสังคบใรตระกูลใดครอบครัวใดที่มี ปฏิบัติธรรมตามหลักสังฆะสมัคีกันแต่กลุนั้นมักจะมีพระอริเยเจ้าเกิดขึ้นแต่กลุลไหนที่ไม่มีพระธรรมำคำสอนแต่กลุนั้นจะเกิดคนผ่านมากขึ้นเราจึงไม่ควรที่จะให้ความเรื่องอื่นเป็นเรื่องสำคัญมีจริงๆคำสอนเนี่ย อางน้ก็ขอาาทักาถายเรื่องนี้มาเจริญตามหลักสติปัฏฐานสี่ได้ประกาศเป็นสถาบันเลยชีวิตของเราต้องมีสถาบันปฏิบัติเป็นสถาบันปฏิบัติดีเป็นสถาบันปฏิบัติตรงเป็นสถาบันปฏิบัติออกจากทุกถ้ามีทุกตรงไหนออกจากทุกที่นั่นเป็นสถาบัน นี่คือชีวิตไมาใช่สถาบันคือตึกเรือนตึกหลายคณะต่างๆเรียนก็จบอยู่แต่ว่าไม่จบเรื่องจิตเัื่งใจเรื่องกายนีย่ไม่จบเลยมีปัญหาตลอดไปเก็ก็เป็นทุกข์เก็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เรีนเด็กเพื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์หัวเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์ อ่อนแอและเกินเปาะบางและเกิดเจ้าหนี้หรือชีวิตได้ความลำบกากขนาดนี้หลือสิ่งที่บันแก้ได้กลับไมแ่แก้สิ่งที่แก้ไม่ได้กลับไปแก้ไขเขาว่าอะไรกันเราทําไมจึงว่ากันไม่ยอมให้มันว่ า, ว, าว่ากูทําไมไปแก้คนอื่นเหมือนหมาที่ เรไม่แย่ไม่โกรธไม่ที่แกน่นไม่รู้จักเขตไปอยู่ที่คนไปกัดไม้นอนหมาชีวิตเหมือนหมาตัวนจะให้คนทั้งโลกเป็นเหมือนเรามันเป็นแบบวีาต้องห้ามดัวเราเอาตัวเราเป็นหลักเป็นเกณฑก่อนยึงจะใช่ได้ อยู่เหนือโลกได้ถ้ารู้จักเรื่องธรรมะความเท็จความจริงที่มันเกิดขึ้นกับพา ก, กับใจเราแล้วเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีเวรมีภัยชีวิตไม่มีภัยปลอดภัยเรียกว่าพระอัยยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ไม่มีภัยอะไรเลยเป็นว่าดีบุคคลชั้นยอดเยี่ยมเพราะการปฏิบัติ แล้วก็ทําได้ทุกชีวิตเวลามันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนี่ง่ายนี้เดียวชัดดวนเวลามันทุกเปลี่ยนทุกไปไม่ทุกงง่ายนิดเดียวลงแก่งยิ่งเจริญสติเนี่ยปัจฐานเนี่ยเห็นกระแสพันธุพานเลยทีเดียวมีจสติดูกคอยเคลื่อนไหว อะไรที่เกินเครือข่ายเห็นหมดว่า ก, กายสวกระกายนั่นนะไมาใช่เอาความร้อนเป็นกูไม่ใช่เอาอเความหนาวเป็นกูเอาความหิวเป็นกูเอาความปวดความเมื่อยเป็นตัวกูตัวตนเนี่ยซกแต่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นอาการอาการไม่ใช่ตัวใจตน ถ้ามันไม่มีอาการมันไม่ใช่กายใช่ใจว่ามีรูเป็นน้ํามีธาตุรูมีวิญญาณธาตุนอกจากดินน้ำํำลมไฟก็มีวิญญาณธาตุแต่มันรู้ไรได้อากาศธาตุคือช่องว่างในกายมีช่องเลือดช่องลมมันบินไม่ใช่กู้อะไรงให้เราได้ใช้ ลุยกับโลกทำมาไม่ดีอย่างนี้แต่ก็ลุยกับโลกไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยมันจึงดีขนาด น, นี้กายใจแนวได้มาแล้วเป็นรูปทานามทำมีมาแล้วห่วงแพรที่เราจะต้องขี่ข้ามฟ้าข้ามมัตต ร, รงสอนเราจะมาหัดใชแพรให้มัน สำเร็จขึ้นฝั่งให้ได้เทียบท่าให้ได้เหนหลงเห็นมันหล ง, หหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นเจ้ากล้หลงขึ้นฝั่งเลยแล้วมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นเจ้ากล้วทุกข์ขึ้นฝั่งเลยแล้วนี่สติปัฏฐานเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นสัมผัสดู สมบัติความไม่หลงเป็นทุนมีจติตเป็นดืนตาว้ไม่หลับเวลาได้เกิดขึ้นต่วลูกเห็นเห็นเนี่ยจิภายในมันตาในมันเห็นไม่เหมือนตาหน้าตาในมันคิดมันพบเห็นตาเนื้อมันคิดเห็นความคิดเห็นกับการพบเห็นมันต่างกันนะ การพเห็นอยู่ใกล้ๆกัรคิดมันอยู่ไกลนู่นมองไม่เห็นเลยรีบหลี่เลยนพระนพโยขอถูกขอให้ถึงพระเนปานนักพกษการเบอรหน้าน่นเทิร์นไกลเท่าไหร่ดานเท่าไหร่เราคิดพบเห็นเห็นตรงนี้ได้เสียพระเนปานเห็นความไม่หลงในความหลง เห็นความไม่ทุกข์จาความทุกข์เห็นความไม่โกรธจากความโกรธนี่กะระแสภายในบ้านปฏิบัตบาใดสมผัได้จัตีในคราวเดียวกันในคราวเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไกลไม่แตกนิดเดียวเลยอยู่ด้วยกันของที่มนอยู่ติดกันเนี่ยจึงทำได้ทุกอย่าง ว่าสิทธะสมัยเป็นเจ้าพ่อใจคิดเรื่องนี้ถ้ามีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดถ้ามีความแก่ก็ต้องมีความไม่แก่ถ้ามีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีความตายต้องมีความไม่ตายเลยม อ, ม, มองไม่ต้องมองไกลนะมองใกล้ๆเนี่ยแล้วจะต้องแก่เลยต้องเก็บเลยต้องตายเลยเนี่ย จะแก้ยังไงไม่มีผู้ไดบอกได้เลยถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายาพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่ใครตอบได้ศีรษะยังคิดเรื่องนี้ขณะเป็นเจ้าว่าชายรับผิดชอบต่อมนุษย์เห็นเห็นกันองไห้ เพราะความแก่ความเจ็บผวมตายเป็นทุกข์เห็นคนเผศพเห็นยอดผู้เสียชีวิตเท่ากับหลงน้อยศพที่ถูกเผาศพเตียงใบเผายังเห็นอยู่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็มองถึงตัวเองก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะทํำไงเนี่ยจะยอมรับเลยเนี่ย แล้วยอมรับก็ไม่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วยอมอาศัยจอมปลวกผ้าลองภูเขาทุกวันนี้ยังมีประเทศอินเดียแม่น้มโขงค่ะแม่น้าจักสิบย์ากเป็นลากบาปไปเขาจบก็บรนทีจบยังลอยลามไปเลย อยู่ฝั่งแม่น้ำขคงขาเอาจบไปเลี้ยงไม้เบิ่งกระท่อนไอ้ท่อนพืนเตรียมตัวเผาคนเผาบพไฟไม่เคยดับมาห้าพันปีแล้วบว่าว่างไม่บางไม่ไม่บางเอาหลงแม่น้ำไปลอยไปเล่งกาเกาะกิกนศพตามแม่น้ำไปนั่งเรือล่องของขายังเห็นศพเด็ก ลอยอยู่ในน้ำเด็กไม่นุ่งผ้าเลยยังพากันทำอยู่ยังว่ามีอะไรจากจิตเจตล่างบาปล่างกรรมได้ล่างบาตร้องเปลี่ยนหลงไปไม่ลงเลยล่างะนะบาปคือทุกขนะ์ะบุญคือไม่ทุกขนะ์เดยเมื่อไม่หลงก็ได้บุญขึ้นมา แบบุญเมืออ่อใดอ้อนวอนเนอให้ใครมาช่วยถ้าเราไมาช่วยเนี่ยเคยสําเร็จไหมอ้อนวอนเคยสําเร็จไหมบารมีคือเดี๋ยวนี้พร้อมเดี๋ยวนี้มีความพร้อมเดี๋ยวนี้ด้วยทําทสร้างบารมีที่เปผู้มีบุญบารมีคือพร้อมแนละ้วพร้อมจะ ลบความไม่ดีทำความดีตอบแทนเดบาราีคือความพ อ, มพอมเพื่อเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นเรื่องดีมันอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เนี่ยไม่ต้องมาเชื่อกันอต้องสัมผัส ต, ต้องปฏิบัติดูยกเอ้นรู้จึกตัวเนี่ย ลู้จริงไหมมือมอนี่รู้จึกตัวเนี่ยไอ้เคลื่อนไหปที่ใดรู้จึกตัวเนี่ยทำไมอยู่ที่ลูกจริงๆเนี่ยไว้ต้องถามใครเนี่ยรู้จริงจริเนี่ยมือฉันอยู่ที่ใดมือฉันอยู่ที่เขาลูกจริงๆเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเ ข, เยขอความบอกว่ามมือของคุณไม่ใช่อยู่ที่เขามือของคุณขัดอยู่ที่หลังไว้เชื่อเขาหรือ เรามาเชื่อเราเชื่อตัวเองเนี่ยนี่จะแข่งมือทั้งไว้รู้จึกตัวเนี๋ยลยกขึ้นรู้จึกตัวเด๋รู้อยู่เนี่ยมันจริงขนาดเนี่ยตานเนื้อก็เห็นสัมผัสได้เนี่ยเวลามาหลงไปทําไมจะไม่เห็นนะ่ะก็เปลี่ยนกรมหลงไปกลัมาเนี่ยมันมีนิมิตที่อาศัยมันไม่ยากกลับมาเนี่ย กลับมาก็ได้ความหลงกลายเป็นความรู้ทุกคั้งที่มันหลงกลายเป็นความรู้เนี่ยทำแล้วทำเล่าทาแล้วมันก็ชำนานทำใหม่ๆกอง่ายที่จะหลงทำไปทำมาง่ายที่จะไม่หลงแล้วะ่ะมานชำนานทำอะไรก็ชำนานเลื่อ น, นอั้น ส่านไม่ฝึกสำประจำนานเรื่องหลงง่าที่จะหลงง่าที่จะโกรธเป็นจริเขนิสัยโมหะจริเง่ายที่หลงโทสะจริเขง่ายที่จะโกรธ ห, ห, หลรรหอค่าจิตง่ายที่เกิดการบูงแต่งสมุทยสังขารถ้าเราไม่ฝึกมันก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ใช่เลยชีวิตนะรับใช่ คมชั่วลายอ่อเรื่องเรื่องรีบร่วนิดหน่อยนะเอาละขอสงวนเจ้าเวลา้ะ